เรื่องเป้าหมายแห่งสติปัฏฐานโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยยขอความเจริญในอริยธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบังเกิดมีแล่เพื่อนสัตตมิกทันสาธุชน ผู้ไฝ่ความเจริญในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าทั้งหลายวันนี้ควรจะได้พูดกันในเรื่องของอมหาสติปัฏฐานซึ่งมันคุมคุมเกรือเกันเืนอยู่ทุกวันที่ส่วนมากนะ ปฏิบัติทำตรงไหนก็พูดกันถึงเรื่องสติปัญญานสติปัญฐานพูดกันถึงเรื่องสมถะบ้างวิปัสนาบ้างอะไรต่ออะไรพวกนี้ความจริงเรื่องสติปัญฐานนี้จะว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายก็เข้าใจง่ายจะถือว่าเป็นเรื่องเข้าใจยากก็เข้าใจยากไปสันหน่อย คือบางทีก็เห็นว่าเรื่องของสติปัฏฐานนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และก็สำคัญจะต้องตั้งอกตั้งใจทำกันจะต้องตั้งหน้าตั้งตาทากันอย่างเป็นพิธีกรรมต้องปออกจากบ้านจากช่องต้องไปบวชต้องไปเก็บเนื้อเก็บตัวที่เรียกว่าเก็บอารมณ์เข้ากรรมาฐานกัน <c oughs> <c oughs> จริงจริงกั เ, เรื่องวิเดินวิปัสนาจะต้องไปเข้ากรรมาฐานกันไ <c oughs> มื่อมีการเข้ากรรมาฐานแล้วก็มีการออกจากกรรมาฐานปัญหาว่าทําอย่างไรเึงจะเข้าใจสาระแก่นสารเอ็ดเซนส์ความสําคัญของสติปัฏฐานถ้าเข้าใจถึงเอ็เซนส์ถึงใจความแก่นแท้สาระ ของมันจริงๆแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยดยูเหมือนจำเป็นจะต้องทำกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีการเข้าไม่มีการออกถ้าไม่มีการเข้าไม่มีการออก <c oughs> ให้เรื่องกรรมฐานนี่เพราะว่กรรมฐานจะมีหลายยี่ห้อกรรมฐานเดี่ยวกรรมฐานคู่กรรมฐานหมู่กรรมฐานคณะ กรมาา voy, กรมฐ า, านคอนโวยกรรมฐานแคปซูลตั้งชื่อเอาเองคอนโวย์ก็คือไปกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะเหมือนรถขบน voy, วนคอนโวยขบวนรถบรรทุกของชาวยุโรปชาวอเมริกาเขาเรียกว่าคอนโวยคอนโวยไปกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นโฟมมีอะไรจะได้ช่วยกันแล้วทุกวันนี้ก็มีกรรมฐ า, านคอนโวย แล้ก็ยังมี ก, กรรมฐานแคปซูลคือกรรมฐานจะต้องเข้าออไปไม่ต้องทําอะไรตีนไม่ติดินสุขสงตัวอย่างก็งให้คนอื่นมาอำนวยความสะดวกให้หมดเหลือแต่ยังไม่ได้ป้อนข้าวเท่านั้นหนักไปกวนั้นเปนจะเหลือแต่ยังไม่ได้เคี้ยวดีๆแล้วก็ป้อนเข้าไปในปากข้าตัเองทำไมคนอื่นก็ทําให้หมดนี่มันน่าคิดนะ าการปฏิบัติธรรมนั้นมันจะต้องเป็นไปเพื่ออาเหตุหรือว่าเป่าไม้แปลปาการที่เรียกว่าลักษณะตัดสินธรรมวินัยวิลาขะวิสังโยขะอภิจยะอัภิจจตาสันตุทีปวิเวกะวิริยาลัมภะสุขะราตานี่เรียนกันมาเรียนกันมาแล้วนะคำชันตีน เร่จะเป็นน้รทชั้นตีเนะือมมันไม่ได้นะ้ร ท, ทำชั้นไหนเส็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายความจางคายความไม่ยึดมั่นความไม่พอภูนเป็นไปเพื่อความยินดีเป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความตารคความเพียนเป็นไปเพื่อความสงบสงับปลีกตนออกจากเพื่อนไม่คุกคี เป็นไวเพื่อความเรียงง่ายตัวสุดท้ายสุพระตาในนี่ถ้เกิดเป็นกรรมฐานคือมามันยากไวุ่นวายไปหมดคนอื่นก็ต้องไวุ่นวายไปด้วยยากยุ่งไปด้วยเลืออย่างเดียวเพียงแต่ยังไม่ได้ไปนั่งต้อนข้าวกรรมฐานเท่านั <c> ้น <oughs> แต่พูดอีกอันหนึ่งก็น่าอนุโมทนาสาธุการเมืองไทยนี่ดีนักบวชในประเทศไทยในบุญหลายโชคดีที่สด จะมีใครต้องการประพฤติปฏิบัติกันจริงๆจังๆก็มีพร้อมทุกเมื่อที่คนจะอำนวยความสะดวกให้หรือจะให้ป้อนข้าวก็น่าจะต้องมีคิดว่าจะมีคนศรัทธาทั้งนั้ น, นจะนั่งป้อนข้าวให้กรรมฐาน <c oughs> ที่เข้ากรรมฐานแต่ว่ามันผู้ประพฤติปฏิบัติกรรมฐานนั่นนะสิมันจะเอาจรจงกันจังหรือไม่ถ้ามีการข้าวแล้วมันมีการออก เพราะนั้นวันนี้เรามาพูดถึงแกนสารใจความหัวใจของสติปัฏฐานอันเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานวิปัฒนากรรมฐานไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากการเจริญสติปัฏฐาน คือวิปัสสนาแท้ๆไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมถะเลยเรื่สมถะและวิปัสสนามันก็น่าจะได้พูดกันเอกครั้งหนึ่งสักเรื่องหนึ่งแค่พะวันนี้มาพูดถึงเรื่องก่นฟานหัวใจของสติปัฏฐานอันเป็นหนทางแห่งการปฏิปัติอุยวิปัสสนากรรมฐานโดยตรงไม่ใช่ทางอ้อมเลย โดยเหมือนมันจะอยู่เนื้อพิธีกรรมเนื้อพิธีรีตองทั้งหมดแต่พูดถึงเรื่องสติปัฏฐานนี่อยู่เนื้อพิธีกรรมพิธีรีตองโดยไม่ต้องไปข อ, รอกรมะถกกำมฐทานโดยไม่ต้องไปโอกาสะโอกาสะโอกานีไม่รอมันเลยเพราะกิเลสมันไม่ได้รอให้เราโอกาสะโอกาสะมันกระทบเมื่อไรมันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเมื่อใดตาเห็นรูป ไม่มีสติเกิดการกระทบกันขึ้นมันก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดความยึดมั่นถึงมันตัวกูของกูตัวเราของเราเป็นโทษขึ้นในขณะนั่นมันไม่ได้รอให้โอกาสสโอกาสสันโอกาส น, ะานี้ข้าพเจาจะพอใจโชขเวทนาข้าพเจ้าจะกลายมาเป็นตามมาตัณหาภาวะตัณหาข้าพเจ้าจะกลายไปสู่อุปทานมันไม่รอเลยเพราะนั้นอยากแกความย่อของสติปัฏฐาน เห็นว่าสติปัฏฐานไม่ใช่หลักการที่จํากัดว่าจะต้องปีตัวลบลี่ไปนั่งปฏิบัติอยู่นอกสังคมใช้ฟังให้ดีนะสติปัฏฐานนี่ตามพระสูตรต่างๆก็ไม่ได้บอกว่าให้เป็นนั่งหลับหูหลัตาตั้งท่าตั้งทางมันจะกินกังลีออกไปนอกจากสังคมหรือจําเพาะในการเวลาตอนใด ต, ตอนหนึ่งคือว่าไปปฏิบัติธรรมโดยเห็นนี้ เรื่องสติปัะฐานจึงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันทั่วทั่วไปตั้งแต่สติหยาบๆที่ใช้ต่อไปประจำวันทุกวันทุกขณะซูงขึ้นมาเป็นสติกลางๆรู้เท่าเอาทาันอารมณ์ลึกละอกเอียดขึ้นมาเห็นความเกิดความดับความเสื่อมความเกิดขึ้นความเสื่อมไปสิ้นไปของสิ่งทั้งหลาย จน เ, เกิดอาการปล่อยวางจางคายประหารสลัดคืนดับสนิทว่างจากความยึดมั่นถือมั่นม่ว่าวิปัตนาเห็นไห้ว่าโดยแก่นสารสำคัญของสติปฐานสี่แล้วก็เป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานี้มีจุดที่ควรใช้สติคอยกากับดูแลทั้งหมดเพียงสี่แห่งเท่านั้นเอง คือร่างกายและพฤติกรรมของมันในร่างกายอะไรที่เกิดขึ้นในกายอะไรเสื่อมลงในกายเนี่ยอันหนึ่งที่จะต้องมามีสติรู้จักมันจุดนี้จุดเดียวก็พอหรือไม่เอาจุดนี้ก็มีจุดที่เวทนาคือความรู้สึกว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์ต่างๆมีจุดหนึ่นง และอีกจุดหนึ่งก็ภาวะจิตที่เป็นไปต่างๆเรื่องราวของจิตใจตนเองนั่งอ่านใจอยู่ตลอดยืนอ่านเดินอ่านนอนอ่านว่าใจเป็นยังไงใจสงบใจวุน่นวายใจดีใจชั่วใจร้อนใจเย็นมีราคะโทสะโมหะอย่างไรจรู้จักมันจักมั น, นหนจนึและก็อีกจุดน่ความคิดนึกไตรตรองต่างๆมันคิดอะไรขึ้นมามันเป็นอะไรเรื่องอดีตอนาคตเรื่อง เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรต่างๆเกิดขึ้นรู้มันทั้งนั้นถ้าเราดำเนินชีวิตโดยมีสติคุ้มครองณนะจุดทั้งสี่นี้แล้วไม่จุดใดก็จดหนึ่งเอาอีกจุดใดจดหนึ่งที่มันเป็นหัวหน้าก็ได้ก็จะช่วยให้เป็นอยู่อย่างปลอดภัยไร้ทุกมีความสุขผ่องซสเป็นปฏิปทานนำไปสู่ความรู้แจ้งอริยสัจธรรมนั่นไม่ต้องไปดูตรงไหน กายมันก็มีอยู่ทุกเมื่อจะบวชเป็นพระเป็นเลนเป็นชาวบ้านเป็นแม่เขาแม่ชีอะไรต่างๆมันก็มีกายและในกายนี่มันก็มีเกิดมีเสื่อมนิพฤติกรรมของมันทีมันเกิดมันเสื่อมอยู่จะอยู่อย่างไรจะยืนเดินนั่งนอนมันก็มีเวทนาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบขา้ามันก็มีความพอใจไม่พอใจมีสุขมีทุกข์ดูได้ตลอดไม่ต้องปลีกหนีจากสังคมไป น, นั่งแอบดูตรงไหน จิตก็เหมือนกันยืนเดินนั่งนอ น, นา ต, ต, ตั้งแต่ตื่นขึ้นจนหลับไปจิตก็ต้องทํางานอยู่ทุกเมื่อมีภาวะอย่างไรก็รู้จักมันส่วนความคิดตึ้งเป็นธรร ม, มารมทั้งหลายทั้งปวงมันก็เกิดเพราะมันอยู่ตลอดอย่างนั้นแหละเพราะเหตุ น, นั้นการเจริญสติปัฏฐานจึงไม่มีพิธีรีตองเราต้องเป็นั่งปฏิบัติธรมรมปลีกตัวออกจากสังคมอยู่ในป่าในเขาไม่ต้องเลยแต่ถ้าสมาถะ ต้องมีขั้นตอนมากเลยทีเดียวเพื่อความสงบแห่งจิตเพื่อจะเอาให้มันเกิดฌานเกิดอภพิญญาอะไรต่างๆเขต้องว่ากันทีหลังที่เราจะเห็นได้ว่าข้อความแสดงในปฏิสถานสติปัฏฐานแต่ละข้อละข้ อ, ขอที่เรามาจะเห็นได้ว่าในเวลาปฏิบัตินั้นไม่ใช่ว่าที่จะใช้สติเพียงอย่างเดียวแต่มีทาข้ออื่นๆควบอยู่ด้วยทำที่ไม่ได้พูดถึง ในเรื่องสติปัฏฐานก็คือสมาธิแต่ความจริงสมาธิจะมีอยู่ทุกขณะแต่มันไม่มากพอใช้สำหรับงานนี้งานคือเป็นกำลังให้แกสตินี้ไม่ได้เอาถึงขนาดว่าเป็นอปนาสมาธิการเจริญสติปัฏฐานการเจริญวิปปนาใช้สมาธินิดหน่อยเพียงเพื่อเป็นกำลังให้แกสติเพียงคณิกาสมาธิอย่างนี้หรืออุปจารสมาธิถ้าจะมากหน่อย ที่นี่ทำอีกค uh, ู่มันก็คือว่าอาตาปีมีความเพียรได้แก่ความเพียรที่เรียกว่าสัมมาวายามะเพียรสำรวมระวังความชั่วร้ายที่ยังไม่เกิดเพียงขจัดความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วออกไปเพียงสร้างคนงามความดีเพียงรักษาสิ่งที่ดีที่มันเกิดขึ้นอานนี้เรียกว่าอาตาปีอาตาปีเพียงระวังเพียงละความชั่วเพียงสร้างรักษาความดี อันที่สองคู่ของมันคําว่าสัมปชัญญะคือตัวปัญญาอันที่สามสติมามีสติหมายถึงตัวสตินี่เองรวมความแรกก็มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติแต่พอพูดถึงสติเราลืมสัมปชัญญะทุกเที่ยวเลยไม่เคยพูดถึงกันตัวสัมปชัญญะในสําคัญแต่ถ้ามีแต่สติสติสติสติไม่มีตัวสัมปชัญญะตัวเข้าไปรู้ว่าสติทํางานหรือสติไม่ทํางานเนี่ย เป็นนั้นว่าสติเก่งแค่ไหนสูงแค่ไหนก็จะล้มล้มละลายบางทีสติจะมากไปกลายเป็นอุปทานเป็นวิปัสนาเิกิเลตไม่ใช่ว่าไม่เต็มบาทแต่มันเกินบาทเลยใช่ไหมก็เป็นบาาฟุง้งพรอมีสติมากเกินเกินพอดีไม่มีเบรกเกินพอดีไม่มีอินสเปคเตอร์ไม่มีผู้ตรวจ ง, งานของสติคือตัวสมบัตัญญาอย่าลืมถ้าพูดเรงสติต้องมีสมปัตัญญาด้วยมันเป็นของคู่กัน เป็นสิ่งนาสังเกตคว่าสัมปชานโนแปลว่าสัมปัญญาสัมปัญญเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นธรรมที่ปรากฏคู่กับู่กับสติอยู่ตลอดกาลสติมาสัมปชัโนสติมาวินยะโลเกพิชาโทมนัตสังเละยินสัมปัญญะก็คือปัญญาการฝึกฝนในเรื่องสตินี่จึงเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาปัญญานั่นเองสัมปัญญาก็คือตัวปัญญา ความรู้ความเข้าใจจะนักชัดในสิ่งที่สติกําหนดไว้นั้นหรือสิ่งที่สติลุ่มหลงฟังให้ดีว่าสติจกเป็นตัวคอยที่จักควบคุมงานจิตเป็นตัวสั่งงานอายตนะเป็นตัวทำงาน สัมปชัญญะเป็นตัวตรวจงานของสติช่วยฟังให้ดี <c oughs> สัมปชัญญะนี่จะเป็นตัวตรวจเป็นอินสเปคเตอร์สติเป็นตัวคุมเป็นโฟแมนอย่างนี้แหละเป็นตัวควบคุมงานจิตเป็นตัวสั่งงานตาหูจมูกริ้นกายเหล่านี้เป็นตัวทํางานอยู่ตลอด มันมีผู้ทำงานมีผู้สั่งงานมีผู้ควบคุมงานและวมันมีผู้ตรวจงานผู้ตรวจงานนี้ถ้าหาักล้มเหลวไปผู้สั่งงานก็อาจจะสั่งไปทั่วตามใจชอบสเปะสะปะผู้ควบคุมงานถ้าอ่อนแอมันก็ปล่อยเลยไม่ควบคุมแล้วแต่มันจะสั่งการทําทงานมันก็แล้วแต่มันจะเป็นไปส่วนมเข้าไปกับสิ่งที่มันง่ายเพราะนั้นอย่าอย่าไปลืมว่า ในเรื่องสติประธานนั่นตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งคือสัมปชัญญะก่อไปว่าสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวรู้ตัวอะไรรู้ตัวว่าระลึกได้รู้ตัวว่าละลรววาละลึกไม่ได้ในขณะนี้และจะรู้ตัวต่อไปว่าทำยังไงจะระลึกได้อย่างนี้แหละเมื่อมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ผสมกันทั้งสติและสัมปชัญญะแล้วมันก็จะกำจัด ความพอใจไม่พอใจออกแกงโลกเสียได้วิเนยโลเกภิชาโทมานัสังแสดงถึงท่าทีที่เป็นผลจากการมีสติสัมปชัญญะว่าเป็นกลางเป็นอิสระไม่ถูกกิเลสผูกพันทั้งในเงี่ยติดใจยอยากได้และขัดเคืองเสียใจในกรณีนั้นนั่นข้อความต่อ ท, ท้ายก็เหมือนกันทุกข้อที่ว่ามองเห็นความเกิดความเสื่อมสิ้นไป นี่ขยาววายทำ ม, มาเสื่อมไปทำที่เสื่อมไปสิ้นไปหรือบางทีก็บอกว่าทำที่เกิดขึ้นทำที่เสื่อมไปในกายนี้หรือทั้งทำที่เกิดขึ้นทั้งทำที่เสื่อมไปในกายนี้ในเวทนานี้ในจนิตนี้ในธรรมนี้เห็นอย่างนี้แสดงถึงการพิจารณาเข้าใจตามหลักไตรลักษณ์ จากนั้นจึงมีทัศนาคติที่เป็นผลเกิดเครื่องคือการมองและรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นตามภาวะของมันเองเช่นที่ว่ากายมีอยู่เป็นต้นก็หมายถึงรับรู้ความจริงของสิ่งนั้นตามที่เป็นอย่างนั้นของมันเองโดยไม่เอาความรู้สึกสมมุติและยึดมั่นต่างๆเข้าไปสวมใส่ให้มันว่ามันเป็นคนเป็นตัวตนเป็นเขาเป็นเราเป็นกายเราเป็นสวยเป็นงาม ท่าทีอย่างนี้เป็นท่าทีที่หลงเข้าไปแต่ท่าทีที่เห็นว่ากายมีอยู่เพียงให้รู้ท่าทีอย่างนี้จึงเป็นท่าทีของความเป็นอิสระไม่อิงอาศัยไม่อาศัยอยู่กับความพอใจไม่อาศัยอยู่กับความไม่พอใจไม่อาศัยอยู่กับความรักไม่อาศัยอยู่กับความชั่งจึงเรียกว่าณจะเมตันนิสิตโตไม่แอบอิงอาศัยสิ่งใด ไม่ขึ้นต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ขึ้นต่อสิ่งรักสิ่งที่ชั่งที่เป็นปัจจัยภายนอกและไม่ยึดมั่นสิ่งใดๆในโลกโด้วยตัณหาอุปท า, านเพื่อให้มองเห็นเนื้อความชัดเจนยิ่งขึ้นก็อขอยกคําบาลีที่สําคัญนํามาแปลมาแสดงความหมายไว้โดยยอดดังนี้จินตนาการเยรยาญุปัสสีแปลว่าพิจารณาเห็นกายในกายคือมองเห็น ในกายว่าเป็นกายมองเห็นกายตามสภาวะซึ่งเป็นที่ประชุมหรือประกอบกันข้าวแห่งส่วนประกอบอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆไม่ใช่มองเห็นกายเป็นเขาเป็นเราเป็นนายนั่นเป็นนางนี่เป็นของฉันเป็นของคนนั่นเป็นของคนนี้รือเห็นชายนั่นเห็นหญิงนี่ในผมในขนในหน้าในตาเป็นต้นหมายความว่าเห็นตรงตามความจริงตรงตามสภาวะ ให้สิ่งที่ดูตรงตันกับสิ่งที่เห็นคือดูกายก็เห็นกายไม่ใช่ดูกายไพ่ไปเห็นหนายกนางขอดูกายไพ่ไปเห็นคนชังบ้างคนรักบ้างเนี่ยดูกายมอบชอบไปเห็นคนที่ชอบบางชมบ้างน่ารักน่าชังเขาคือคนโบราณที่ว่าสิ่งที่ดูกับมองไม่เห็นไผ่ไปเห็นสิ่งที่ไม่ได้ดูเมื่อไม่เห็นก็หลงติดกับ หรือติดอยู่ก็พ้นไปไม่ได้เราจะเห็นเห็นอย่างนี้โยที่ทั้งนะาตังปัสติสาสสาวรี <c oughs> สิ่งที่สิ่งที่เห็นกับไม่ได้ดูคือคือคือเห็นกายกับไม่ดูกายนะนะดันไปดูความสวยความงามในกายดูความเป็นจญิงเป็นชายในกายเล <c oughs> ยว่าที่ทั้งนะาตังปัสติโลปสสังตัง <c oughs> ภาษาบาลีไปฟังไปเลาะดีกับหน้ากับหลังจะพูดเอาไว้อย่างเงี้ยโยที่ทั้งหน้าตั้งสติสิ่งที่ดูกับไม่เห็นสิ่งที่เห็นอยู่กับไม่ดูมาเห็นกายกับไม่ดูกายดันไปดูความสวยความงามความเป็นหญิงเป็นชายสิ่งที่ดูกับไม่เห็นดูกายแต่ไม่เห็นกายดันไปเห็นหญิงเห็นชายสิ่งที่เห็นกับไม่ดูเห็นกายกับไม่ดูกายแต่ดูสิ่งที่ น่ารักน่าพอใจในนั้นอย่างนี้แหละจะเรียกว่ากายเยกายานุประสิให้เห็นกายในกายกายไปว่ากลุ่มในกลุ่มก้อนของที่เรียกว่ากายนี่อย่างมีอีกายคือกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่มันมาประชุมกันรวมกันข้าวเนี่ยให้เห็นอย่างนี้เรามาต้อมีคำว่าตาปีสัมปชนสติมามีความเพียรมีสัมปชัญญามีสติเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรสมมาบาญาัะ ตมากก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสติมันมีคําว่าอาตาปีสัมปชานโนสติมาอาตาปีนั่นน่นะแต่ว่าสัมมาวายามะมีความภาคเพียรชอบอยู่สัมปชานโนมีสัมมาทิฏฐิคือเห็นอย่างถูกต้องสัมมาสติ มีความระลึกเฉพาะอย่างถูกต้องซึ่งเป็นองค์มาประานสามข้อที่ต้องใช้ควบคู่ไปด้วยกันเสมอในการเจริญสติปัะฐานทุกๆข้อความเพียรคอยหนุนเร้าจิตไม่ให้ย่อดท้อหดหูไม่ให้รีรอลาถอยไม่ให้มันล้าหลังซึ่งก็ไม่เปิดช่องให้กุศลธรรมเกิดขึ้นแต่ก็เป็นแรงเร่งให้จิตเดินรุดหน้าไปนุนให้กุศลธรรมต่างๆเจริญยิ่งขึ้น สมปชัญญะคือตัวปรรัญญาตัวสมาธิทีเมื่อลงก็รู้ว่ามันลงเมื่อสติรู้ทันอยู่ก็รู้ตัวว่าแล้วลึกทันอยู่อย่างนี้รู้เท่าทันอารมณ์ที่สติกําหนดทําให้ไม่หลงไหลเปได้และเข้าใจถูกต้องตามสภาวะที่มันเป็นสติคือตัวกําหนดจับอารมณ์ไว้ทําให้ตามทันทุกขณะไม่ลืมเลือนเลอะพลาดสับสน ต่อมาก็ลงท้ายว่าวินยโลเกอพิชาโทมนัตสังแปลว่ากำจัดอภิชาโทมนัตในโลกเสียได้หมายความว่าเมื่อปฏิบัติเช่นนี้จิตใจก็จะปลอดโปร่งเบิกบานไม่มีความติดใจยอยากได้และความขัดใจเสียใจเข้ามาครอบ ง, งำรบกวนสุดท้ายัะสรุปว่าอธิกายโยติวาปนัตสสติปจุ ป, ปิตตาหติยาวะเทวยานามตายะ ปติสติมัตาย่ะแปลว่าเธอมีสติปรากฏชัดว่ากายมีอยู่เพียงเพื่อให้เรารู้และพอสำหรับจะรึกเท่านั้นคือมีสติกําหนดชัดเจนตรงความจริงว่ามีแต่กายอธิแปลว่ามีกายโยติกายมีอยู่หรือว่ามีจตกายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ยญิงชายตัวตนของตนของเขาของใครเป็นต้น ทั้งนี้เพียงเพื่อให้เราเกิดความรู้อันนี้มันมาเป็นเครื่องยืนรองโยให้เราลู่ให้เราใช้เป็นเครื่องระลึกเพื่อจะเริญสติสัมปชัญญะพูงง่ายๆเพื่อให้สติปัญญาจเจริญเพิ่มพูนมิใช่เพื่อจะคิดฟุง้งเฟ้อละเมอฝันปรุงแต่งฟ้ามเฟือไปในเวทนาก็ว่าอย่างเดียวกันในจิตก็ว่าอย่างเดียวกันในธรรมก็ว่าอย่างเดียวกัน อ umer, or, ader, ธิเวทนาติวะปนัสสสติปจุปติตาโหติยาวะเทวญาณะมัตตัญะปิิสติมัตตะกว่าอย่างเดียวกันอธิจิตตติวาปนัสสสติปจุปติตโตโหติแต่ยังเดียวกันอิธรรมติวะปนัสสสติว่าอย่างเดียวกันว่ามีเพียงคำเท่านั้นมีเพียงเวทนาเท่านั้นมีเพียงจิตเท่านั้นมีกายเท่านั้น มีแต่กายไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขามีแต่จิตมีแต่เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่ใครที่ไหนอะไรพวกนี้ยจะสรุปไว้อย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้ชัดเจนท่านก็สรุปชัดถึงผลว่าอนิสิตโตจะวิหรติแปลว่าเธอเป็นอยู่ไม่อิงอาศัยมีจิตใจเป็นอิสระ ไม่ขึ้นต่อสิ่งใดไม่ต้องเอาใจไปฝากไว้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้เนว่าตามหลักคือไม่ต้องเอาตัญหาและทิฏฐิเป็นที่อิงอาศัยหรือไม่ต้องขึ้นต่อตัญหาและทิฏฐินั้นนั้นไม่ต้องขึ้นต่อความพอใจไม่พอใจไม่ต้องขึ้นต่อความรู้ความเห็นว่ามันถูกมันผิดมันถูกโอ้ถูกแก่อะไรอย่างนั้นแต่อยู่กับความเป็นจริงเป็นอิสระโปร่งโล่งนี่นี่ รับรู้ประสบการณ์ต่างๆก็รับรู้โดยตรงตามที่สิ่งเ้านั้นมันเป็นอยู่มีอยู่ไม่ต้องอาศัยตันหาทิฐิมาช่วยวาดภาพระบายสีเสริมแต่งกลมให้เคลิ้มไปต่างๆโดยฝากความคิดนึกจินตนาการ make imagine ate, เป็นสุขเป็นทุกข์ไว้กับตันหาไว้กับทิฐิเ่านั้นไม่มีคิดมาก็รู้ว่ามันคิดแล้วก็จบกัน เห็นมาก็สักแต่ว่าเห็นแล้วก็จบกันอย่างนี้เรียกว่าอนาิสิตโตจะวิหะรติไม่แอบอิงอาศัยมีจิตใจเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อสิ่งใดณจะกินจิโลกเกอุปาทิยาติอีกทั้งไม่ถือมัน่นใดๆอะไรๆในโลกไม่ยึดติดถือมั่นสิ่งใดๆ ไ, ไม่ว่าจะเป็นรูกเป็นเวทนาหรือสัญญาสังขารวิญญาณ ว่าเป็นอัตนาอัตติยาเป็นตัวตนเป็นของตนอาจจะตั้ง ว, าว่าพรหิทธาวาแปลว่าภายในบ้างภายนอกบ้างเนี่ยคือเห็นทั้งภายในเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งกายภายในของตนเองเห็นแตงกายภายนอกของคนอื่นหรือกายภายในภายนอกหยาบหยาบที่มองเห็นผิวหนังแขนขาอะไรต่างๆของตนเองเนี่ยก็ยังเลิกเข้าไปภายในตับไตไส้พงุง มองในตัวเองมันก็มีทั้งคําว่าอาัจฉริวะพรหิทธังวะมองดูตนเองมองดูผู้อื่นก็ได้อัจฉังวาของเราพระหิทธังวะของคนอื่นภายนอกเนี่ยหมายความว่าภายนอกหมายถึงผู้อื่นก็ได้หรือว่าภายนอกหมายถึงกายอยู่ภายนอกภายในหมายถึงส่วนที่มันปุ้งมันแต่งกันอยู่ภายในก็ได้เพราะจะภายนอกภิกษุแม้แต่ในจิตก็เหมือนกัน ในพระอภิธรรมปีดกซึ่งขยายความใบชัดเจนว่าภิกษุตามเห็นจิตในจิตภายนอกอยู่อย่างไรในข้อ น, นี้ภิกษุเมื่อจิตของผู้นั้นมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตของผู้นั้นมีราคะจิตของผู้นั้นมีโทสะมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตผู้นั้นมีโทสะมีโมหะอย่างนี้ก็หมายถึงจิตของผู้อื่นจิตภายนอกจิตภายในหมายถึงจิตของเราในพระอภิธรรมก็ขเัเกลืนไปอย่างนี้เหมือนกัน บางหน้าจะสงสัยว่าควรหรือที่จะเที่ยวสอดแสกสืบดูความเป็นไปในทางตายทางจิตทางใจทางเวทนาของคนอื่นและจะรู้ตามเป็นจริงได้อย่างไรในเมื่อไปเที่ยวรู้จักแต่เรื่องของชาวบ้านเรื่องนี้ก็ขอให้เข้าใจเพียงง่ายๆว่าท่านมุ่งให้เราใช้สติกับสิ่งทั้งหลายทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าของเราไม่ว่าของเข า, ไ ม, า, ขเขาไม่ว่าของภายในของภายนอก และกำหนดรู้เพียงแค่ที่มันเป็นเป็นการแน่นอนว่าในชีวิตประจำวันเราจะต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆเมื่อเราเกี่ยวข้องกับเขาก็เพึงเกี่ยวข้องโดยมีสติรู้เขาตามที่เขาเป็นและตามที่ประจักษ์แก่เราเท่านั้นคือรู้ตรงไปรู้ตรงมาแค่ที่รู้เห็นเกี่ยวข้องแค่ไหนก็แค่นั้นข้ามิยานอย่างรู้จิตใจของคนอื่นของเขาอื่น ก็รู้ตรงไปตรงมาเท่าที่ยานนั่นรู้ถ้าไม่มียานก็ไม่ต้องไปสอดรู้สอดเห็นจะได้ไม่คิดปุงแต่งวุ่นวายไปเกี่ยวกับคนอื่นทาให้เกิดราคะบ้างตั้งโทสะบั่งโมหะบ้า ง, าางถ้าไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวข้องกนแล้วไปไม่ได้ไหมายความว่าจะให้คอยสืบสอดตามดูพฤติการทางกายทางใจของผู้อื่นแต่ประการใดจะรู้ว่าบางท่านมันรู้นะ สมาธิภาวนานี่แหละบางรูปบางองค์ท่านสามารถที่จะรู้ใจคนอื่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ในขณะที่รู้ใจของคนอื่นตนเองขาดสตินี่มันอันตรายสมมุติว่าท่านเป็นพระหนุ่มหนุ่มเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขากำลังคิดอะไรเขากำลังคิดวิราคะมีความกำหนัดกำลังเกิดเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ ท่านก็พอดีไม่มีสติที่จะที่ไปรู้จักรู้สึกและลึกวันในขณะนี้มันเป็นเพียงจิตที่เขาปรุงแต่เราก็ไปช่วยปรุงเราก็เกิดดับเบิลแอคชั่นเขาไปทำงานกันสองเท่าในที่สุดมันจะเกิดอะไรขึ้นลองคิดดูถ้าเกิดเราไปเห็นจิตของผู้อื่นมีโทสะเขาบังโกเขาบังไม่ชอบขี้หน้าเราอยู่ เราก็ดันไปรู้ไปอย่างรู้เข้าที่นี่เมื่อเราไม่มีสติเราก็จะเกิดอาการตอบโต้ปฏิกิริยาระห ว, ว่างจิตต่อจิตมันก็เพิ่มโทสะในตัวเราออกเพราะเห็นนั้นอย่าลืมคำว่าอชตังวาพาหิตาวาภายในก็ดีภายนอกก็ดีเนี่ยมันมีความหมายถึงตนเองถึงผู้อื่นครับรู้รับทราบแล้วก็ปล่อยไป ก็เลยเพอจะสรุปในแนวหนึ่งว่าการเจริญสติปัฏฐานหรือการเป็นโยน์ด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งจะทำให้ภาพตัวตนที่เจตวิชชามันปั้นมันปงมันแต่งนั้นนะไม่ให้มันมีช่องที่จะแทกตัวเข้ามาในความคิดแล้วก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้เลย <c oughs> ดังนี้แหละเรียกว่าเจริญวิปัสนา่างนี้ไม่ได้พูดถึงสมถะกันนะ การปฏิบัติตามแนวสติปทานนี่โลกทางตะวันตกพวกฝรั่งมั่งค่าเข้าไปเปรียบเทียบกับการคิดแบบจิตวิเคราะห์ของเขาของพวกจิตแพทย์เนี่ยในสมัยปัจจุบันเขาประเมินคุณค่ามาสติปทานของเราได้ผลดีกว่าแต่ความจริงมันก็ดีกว่าจริงๆนั่นแหละและก็ใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางกว่า เพราะทุกคนสามารถปฏิบัติได้เองและใช้ในยามปกติเพื่อความมีสุขภาพจิตที่ดีที่งามได้ด้วยเพราะฝรังเขาเขียนหนังสือของนายจาขอบซันนะที่เขียนหนังสือเรื่อง Buddhist The Radiance of Analysis เขาเขียนเขียนอยู่เขาได้เชิดชูบูชาเรื่องสติปัฏฐาน mindfulness ฟาวเดชันฉบับหมายฟูลเนตของเราเนี่ยยยงแล้วก็ตามเราก็ไม่สนใจเราจะพูดถึงเรื่องของเราของการเจริญสติปัฏฐานตามแนวความคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าองค์ประกอบสิ่งที่ร่วมอยู่ในกระบวนการปฏิบัติมีสองฝ่ายคือฝ่ายที่ทำตัวการที่คอยกำหนดและคอยสังเกตเพ่งพินิษ กับฝ่ายที่ถูกทําสิ่งที่ถูกกําหนดหรือถูกสังเกตเพ่งพิจรารณานี่อันหนึ่งอีอันที่สองก็คือองค์ประกอบฝ่ายที่ถูกทําหรือถูกกําหนดเพ่งพิจรารณาก็คือสิ่งธรรมดาสามัญที่มีอยู่เห็นอยู่พบอยู่ตลอดการกับตัวของคนทุกคนนั่นเองเช่นร่างกายการเคลื่อนไหวของกายความรู้สึกนึกคิดต่างๆเฉพาะที่เป็นปัจจุบัน หรืที่กําลังเกิดขึ้นที่มันเป็นไปอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะนั่นเองอีกองค์ประกอบที่สามก็คือฝ่ายที่ทําคือคอย ก, อกอยําหนดคอยเพ่งพิจารณาเป็นตัวการหลักของสติปัฏฐานได้แะก่สตินี่ตัวตัวกระทําสัมปชัญญะคือตัวที่จะต้องทํางานตัวที่ตัวกระทําก็คือเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรงรมเนี่ย เป็นตัวเกาะจับสิ่งที่จะพิจารณาเอาไว้สัมปชัญญะมันเป็นตัวปัญญาสติเกาะเอาไวด้ดีๆตัวสัมปชัญญะเนี่ยตัณมัครูสิ่งหรืออาการที่ถูกพิจารณ์นั่นก็นคืออะไรมีความมุ่งหมายอย่างไรเช่นเมื่อกําหนดพิจารณาการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการเดินก็รู้ว่ามันเดินรู้หรือจะไปว่าเดินทําไมเพื่ออะไรทําไมจึงต้องเดินอย่างนี้ เข้าใจสิ่งนั้นการกระทํานั้นตามความเป็นจริงโดยไม่เอาความรู้สึกเป็นต้นของตนเองเข้าไปเครือบมีข้อควรระวังที่ควรย้าไว้เกี่ยวกับความเข้าใจผิดที่อาจเป็นเหตุให้ปฏิบัติผิดพลาดเสียผลเลยก็ได้การคือบางคนเข้าใจความหมายของคําแปลสติว่าระลึกได้และสัมปชัญญะที่ว่ารู้ตัวผิดพลาดไปเลยเอาสติมากําหนดหนึ้ถึงตนเองและรู้สึก ตัวว่าฉันกําลังทานั่นทํานี่กลายเป็นการสร้างภาพตัวตนขึ้นมาคือการกําหนดณรู้ให้มันรู้เฉยๆว่าไม่ใช่ฉันแต่รู้ว่าการกระทําการเคลื่อนการไว้ของกลุ่มก้อนอันเนี้ยเนี่ยไม่ได้สร้างภาพตัวตนขึ้นมานี่เราสร้างภาพตัวตนขึ้นมาและจิตก็ไปจดจ่ออยู่กับภาพตัวตนอันนั้นเกิดความเกร็งตัวขึ้นมา อย่างน้อยจิตก็ไม่ได้อยู่ที่งานทำให้งานที่กำลังทำนั้นแทนที่จะได้ผลดีกับกลายเป็นเสียไปสำหรับคนที่เข้าใจไปเช่นนั้นก็เพิ่งมองความหมายของสติในแง่ที่ว่าการนึกไว้การคุมจิตไว้กับอารมณ์จะฟังให้ได้คุมจิตน้ไว้กับอารมณ์เท่านั้นมันจะดิ่นจะไปไหนมีอะไรมาแสกก็ช่างหัวมันแต่จะคุมมันไ ว, วรับรู้รับทราบเนี่ย การคุมจิตไว้กับกิตที่กำลังกระทำหรือคุมจิตไว้ในกระแสของการทำมองความหมายของสัมปชัญญะในไงวะการรู้ชัดสิ่งที่มึกไว้รู้ชัดสิ่งที่กาลังกระทำไม่ใช่เอาสติมากำหนดตัวตนว่าฉันทานั่นทำนี่ให้นึกถึงงานคือนึกถึงสิ่งที่ทำไม่ใช่นึกถึงตัวผู้ทำให้สติตามกำหนดอยู่กับสิ่งที่กำลังกระทำหรือกำลังเป็นไปจน ไม่มีโอกาสนึกถึงตัวเองจะลืมตัวเองว่าเป็นผู้กระทำหรือตัวผู้ผู้ที่ถูกทำนะั้นลืมมันเลยคือใจอยู่กับสิ่งที่ทำนั้นจนกระทั่งความรู้สึกว่าตัวฉันความรู้สึกว่าของฉันของตัวผู้กระทำไม่มีโอกาสเกิดขึ้นไนเลยนี่ขอให้เข้าใจให้ดีๆนะไอ้ไ เ, เ, เรื่องสติปัญญานเนี่ยถ้าทำไม่ถูกบนนทีมันเป็นป้านะมีมีผู้ปฏิบัติ เข่าห้องก็ไปหานจะเป็นบ้าไปหมดหมดมีอัตราตัวตนมันเก่งขึ้นมาว่าเราเป็นผู้กระทํากรรมฐานจนไม่มีผู้กระทำกรรมฐานนั่นอาการที่กําหนดเพ่งพิจารณานั้นมีสาระสาคัญอยู่ที่ให้รู้เห็นตามที่มันเป็นในขณะนั้นไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นตามที่เราอยากให้มันเป็น ือดูเห็นเข้าใจว่าอะไรกำลังเป็นไปอย่างไรปรากฏผลอย่างไรเข้าขเผชิญหน้ารับรู้พิจารณาเข้าใจตามดูมันไปให้ทันทุกอย่างขณะเท่านั้นทุกอย่างกล่าวทุ ก, ทกขณะไม่สร้างปฏิกิริยาใดๆขึ้นในใจไม่มีการคิดกำหนดค่าไม่มีการตีราคาวิจาร์ไม่มีการไม่ได้ใช้วัต ด, ดีชั่วโทเพศเป็นต้นไม่ใส่ใจความรู้สึก ความโน้มเอียงในใจความยึดมั่นต่างๆลงไปว่าถูกใจไม่ถูกใจชอบไม่ชอบเพียงเห็นเข้าใจตามที่มันเป็นของเสียงนั่นอาการนั่นแง่นั่นนั่ น, น, นเองโดยเฉพาะไม่สร้างความคิดผนวกว่าของเราของเขาตัวเราตัวเขานายกนายขอนางงอ พิจารณาเวทนาในใจของตนเองขณะนั้นมีทุกเกิดขึ้นก็รู้วทุกเกิดขึ้นทุกนั้นเกิดขึ้นอย่างไรกําลังจะหมดสิ้นไปอย่างไรพิจารณาทำอาทำมาลมก็เหมือนกันอารมณ์เฉันมีความกังวลใจเกิดขึ้นเกิดความกุ้มใจขึ้นก็จับเอาความกุ้มใจหรือความกังวลใจนั่นมาพิจารณาว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเป็นมาอย่างไรหรือเวลาเกิดความโกรธพอนึกรู้ว่าตัวโกรธ ความโกร ก, ก็หยุดหายไปจับเอาความโกรดนั้นขึ้นมาพิจารณาคุณโทษมันดียังไงมันเสียยังไงเหตุเกิดและอาการที่มันหายไปเป็นต้นได้เป็นว่าสนุกสนานไปกับการศึกษาพิจารณาวิเคราะห์ความสุขความทุกข์ของตนทุกนั้นก็จกไม่มีพิษรงอะไรแก่ตัวผู้พิจารณาเลย เพราะเป็นแต่กระบวนการของธรรมชาติตัวทุกเองลุนล้วนที่กาลังเกิดขึ้นกำลังดับไปไม่มีทุกของฉันไม่มีฉันเป็นทุกแม้แต่ความดีความชั่วด้ก็ตามไม่มีตัวเราเป็นคนดีไม่มีอืมตัวเราเป็นเป็นเป็นความดีไม่มีตัวเราเป็นคนชั่วไม่มีความชั่วของเราไม่มีเราเป็นผู้ชั่ว รู้เห็นตามที่มันมีอยู่เป็นอยู่ปรากฏขึ้นในจุดใจ ใ, จในขณะนั้นขณะนั้นก็เข้ามาเชิญหน้ามันไม่ยอมเลี่ยงหนีเข้ารับรู้ตามดูมันตามที่มันเป็นไปตั้งแต่มันปรากฏตัวขึ้นจนมันหมดไปเสื่อมไปขึ้นไปแล้วก็ตามดูสิ่งอื่นต่อไปที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเหมือนดูคนเล่นละครหรือดูดเป็นคนข้างนอกมองเข้าดูเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้เรากำลังเป็นไทยมง มองดูความทุกข์มันเกิดขึ้นความทุกข์มันหมดไปมันเสือ่อมไหมมันเกิดขึ้นมาจากอะไรมองดูความกโกรธมันเกิดขึ้นความโกรธดับไปมันเป็นซุกเป็นผู้ว่าการโกรธยัง่งไรกระบวนการอย่างนี้ไม่ใช่เราเป็นผู้โกรธไม่ใช่เราเป็นผู้ชั่วไม่มีความชั่วเป็นเราดูอย่างนี้ขวบวนการธรรมชาติจยางนี้เรียกว่าวางท่าทีเข้าไปเป็นท่าทีที่เปรียบได้กับแพทย์ที่กําลังชํำระตรวจดูศพ หรือท่าทีนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังสังเกตดูวัตถุที่ตนกำลังศึกษาไม่ใช่ว่าวางท่าทีแบบผู้พิพากษากำลังพิจารณาคดีว่าระหว่างโจทย์กับจงเลยว่าใครถูกใครผิดต้องดูเป็นการดูเห็นแบบสภาวะวิสัยตามสภาพที่มันเป็นจริงเป็นออบเจกติฟขึ้นมาไม่ใช่สักาววิสัยเอาเราเข้าไปกาหนดกฎเกณฑ์เป็นับเจกตขึ้นมา ให้มันเป็น objective อย่าให้มันเป็น subjective กลัมาอาการที่เป็นอยู่มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาเชน่นนี้มีลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันถ้าเรียกว่าให้เป็นอยู่ในปัจจุบันมีชีวิตอยู่ในขณะปัจจุบันชีวิตอยู่ขณะเดียวขณะเดียวได้ดในปัจจุบัน เก้าคือสติกับหนดตามทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่หรือกระทำอยู่ในขณะนั้นนั่นแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะไม่ปล่อยให้มันคาดกันไปไม่ติดข้องข้างค่าอ้อยอิงอยู่กับอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วผิวแผ่วเสียดาย อ, อารายอารที่มันผ่านไปเรื่องไปแล้วไม่คอไม่ลอยคว้างไปข้างหน้า เชิงเออแแหลหาความเพ้อฝันหวานหวังอะไรต่างๆไม่เอามันยังมาไม่ถึงมันยังไม่มีไม่เลื่อนไหล้อยลงสู่อดีตไม่เลื่อนลอยไปในอนาคตฟังให้ดีอยาให้มันเลื่อนไหลเคลืค่อนสู่อดีตอยาให้มันเลื่อนลอยไปสู่อนาคตหากแต่จะพิจารณาเรื่องราวใ น, นอดีตหรือสิ่งที่พึ่งจับทำในอนาคตก็เอาสติกําหนดกนดําหนดกําหนดจับสิ่งนั่นมา ปัญญาพิจนาอย่างมีความมุ่งหมายทำให้เรื่องต่างๆระนันกลายเป็นอารมณ์ปัจจุบันของจิตไม่มีอาการเคว้งควางเลื่อนลอยละห้อยเพอร์เจอร์ถึงความเป็นมาในอดีตหรืออนาคตการเป็นอยู่ในปัจจุบันขณะเช่นนั้นแหละมันจะ ทำให้ไม่ตกเป็นทาสของตันหาไม่ถูกตันหาล่อไว้หรือชักจูงไปนั่นเองแตเป็นการเป็นอยู่ด้วยปัญญาทำให้เกิดความรู้พร้อมทั้งการปลอดโปร่งผองใสเบาสบายปล่อยวางปล่อยวา ง, วางโดยตัวมันเองของจิต <Okay. S 1> การที่เราทําอย่างนี้มันจะก่อให้เกิดความบริสุทธิ์เมื่อสติจับอยู่กับสิ่งที่ต้องการกําหนดอย่างเดียวสัมปชัญญะ ลู่เข้าใจถึงมันตามที่มันเป็นย่อมเป็นการควบคุมกระแสการรับรู้และความคิดไวให้บริสุทธิ์ไม่มีช่องที่กิเลส ต, ต่างๆจะเกิดขึ้นได้และในเมื่อวิเคราะห์มองเห็นสิ่งเหล่านั้นเพียงแต่ตามที่มันเป็นไม่ใส่ความรู้สึกไม่สร้างความคิดคำหนึ่งตามความโน้มเอียงความฝ่ายใจต่างๆที่เป็นสกวิสัยดังกก่าแล้ที่มันเป็นซั b j e c ลงไป ก็ไม่ย่อมไม่มีความยึดมั่นถือมั่นต่างๆถ้ า, าเราหลงเข้าไปมันเกิดมีความยึดมั่นถือมันต่างๆแต่นี่เราจะทําไม่มีช่องที่กิเลสทั้งหลายเช่นความโกรธความรักความพอใจะจะเกิดขึ้นได้เป็นวิธีกําจัดอาสวะเก่าและป้องกันอาสวะใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นท่านจะบอกวา่าวิเนยะโลเกวิเนยะโลเก ท, ทอนทอนทอ น, ท อ, นออกจากโลกทั้งของเก่าทั้งของใหม่ ภาริชาโทมณฑาสังความพอใจความไม่พอใจอย่าง น, นี้มันบริสุทธิ์ในขณเดียวกันก็เป็นอิสระเมื่อมีสภาพจิตที่บริสุทธิ์ตั้งก่าวแล้วไม่ไม่ไม่ม่หลงเข้าไปยึดมัน่นถึงมันบริสุทธิ์ก็มีความเป็นอิสระด้วยโดยไมย่หวัน่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบ อันว่าดีเข้ามากระโบก็ไม่หวั่นไหวไปมันเป็นอิสระยืนตัวเราปรู้รับทราบอารมณ์เรานั้นถูกใช้เป็นวัตถุสำหรับศึกษาพิจารณาแบบสภาวะวิสัยไม่ว่าอารมณ์ใดเกิดมาดีชั่วก็ตามพอใจไม่พอใจเป็นเน้กรีถิโพสติเป็นบวกเป็นลบมาก็ตามก็จะเอาสิ่งเรานั้นมาเป็นเครื่องมือมาเป็นวัตถุ สำหรับศึกษาพิจารณาให้เป็นสภาวะวิสัยเป็นออบเจก v e ไปหมดเมื่อไม่ถูกแปลความหมายตามอำนาจอาตวะที่เป็นตามอำนาจของกิเลสตัณหาเป็นสกะวิสัยเป็น subject ซึ่งเราน้ามก็ไม่มีอิทธิพลตามสกะวิสัยที่บุคคลนั้น และพฤติกรรมต่างๆของเขาจะหลุดพ้นจากการถูกบังคับด้วยกิเลสที่เป็นแรงขับในเป็นแรงจูงใจไร้สำนึก u n นคงส i s t ิ์ไ e s ต่างๆเนี่ยเรียกว่า c o n s c i o u s motivation ต่างๆคือแรงขับที่มันผลักดันมาจากกิเลสตัณหาอันนอนเมื่อมาลายแฟนชาตกลายเป็นความเคยชิน ม, มันจะผลักเราไม่ได้เลยที่เรากลับเป็นอิสระ ไม่อิงอาศัยที่เรียก ว, วาหห่าจะมีตันนิสิตโตไม่ไม่ไม่ไม อ, อิ่งอาศัยไม่ขึ้นต่อตันหาที่ไม่ยึดมั่นสิ่งใดในโลกนี่ดูให้ดีๆันทั้งบริสุทธ์ทั้งเป็นอิสระทั้งปัญญาเมื่อมีขบวนการทำงานของจิตเช่นนี้ปัญญายอมทำหน้าที่โดยผลดีที่สุด เขาจะไม่ถูกเครือบหรืออันเหนไปด้วยความรู้สึกเองียงอคติต่างๆทําให้รู้เห็นได้ตามที่มันเป็นรคือรู้ตามความจริงต่อมาเมื่อพ้นทุกข์เมื่อจิตอยู่ในภาวะตื่นตัวเข้าใจสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นและคอยรักษ า, าท่าทีของจิตอยู่ได้อย่างนี้ความรู้สึกเอเอเียงไปในทางบวกทางลบต่อสิ่งนนั้นั้น ที่มิใช่เป็นไปนโดยเหตุผลบริสุทธิ์จมเกิดขึ้นไม่ได้จึงไม่มีทึงความรู้สึกในด้านกระหายอยากที่เรียกว่าอภิชาและความคัดเครื่องกระทบใจที่เรียกว่าโทมนัสสังปราศจากอาการกระบนกระวายเนี่ยแองเซตีต่างๆมันไม่มีเป็นภาวะจิตที่เรียกว่าพ้นทุกมีความโปร่งเบาผ่อนคลายสงบ เป็นตัวของตนเองอย่างนี้แหละมันเป็นข้าบ้วนการที่สมบูรณ์แบบทั้งความบริสุทธิ์ทั้งความเป็นอิสระทั้งปัญญาทั้งความพ้นทุกข์โปร่งร่องเบาสบายพ่อนคายสงบเป็นตัวของตนเองที่พูดมาทั้งมนนี้นเป็นความจริงที่สัมพันธ์กันเป็นอันเดียวกันเป็นแต่เยาว์กล่าในแง่ต่างๆสรุปตามแนวปฏิจจสมุปปณธรรมก็ดีในใยลักก็ดีด้ความว่า แต่เดิมนั้นคนเราไม่รู้ตัวตนที่ตนยึดถือเอาไว้ว่ามันไม่มีจีงเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงกระแสของรูปประทับนามประทับส่วนย่อยจํานวนมากมายที่สัมพันธ์เนื่องอาใจใช้เป็นเหตุเป็นปจัจจัยเสืบต่อกันกําลังเกิดขึ้นกําลังเสื่อมสลายกําลังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่รู้ชนีดจึงเกิดความยึดมัน่นถือมัน่นเอาความรู้สึกของตอนเองต่างๆนึกคิด ฝ่ฟันปราถนาความเคยชินทัศนคติความเชื่อถือความเห็นการรับรู้เป็นต้นในขณะนั้นนั่นเราเป็นตัวต้นของตนตัวเราของเราตัวกูของกูแล้วตัวเราน e mate, unit, a a ั like <this> our, ้นก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยไปรู้สภกว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้การรู้สึกว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างก็คือการผูกความรู้สึกนึกคิดเป็นต้นที่เป็นนามธรรม ส่วนย่อยในยขณะนั้นนั่นมันหลอกเอานั้นเองความจริงมันไม่ได้หลอกว่ามันเปิดเผยอยู่ตลอเลาแต่เราก็มาปิดบังตนเองเมื่ออยู่ในสภาว่าถูกหลอกเช่นนั้นก็คือการตั้งต้นความคิดที่ผิดพลาดจึงถูกชักจูงบังคับให้คิดเห็นรู้สึกทําการต่างๆไปตออามอํำนาจของสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นตัวตนของตขนขณะนั้นนนั้การปฏิบัติตามหลักสติประฐานเมื่อเรามาปฏิบัติต ยิ่งตามสุติประทานเราก็จะมองเห็นโลกประทัเห็นนามประทัแต่ละอย่างที่เป็นส่วนประกอบเป็นกระสแสที่กำลังเกิดดับอยู่ตามสภาวะของมันเมื่อเราพิจารณนาะส่วนประกอบต่างๆในกระแสแยกแ ย, กแยก่ออกมองเห็นกระจายออกไปเป็นส่วนส่วนเป็นคณะเป็นคณะเป็นขณะมองเห็นอาการดำเนินสืบต่อกันไปเป็นกระบวนการให้ย่อมไม่ถูกหลอกให้ยึดถือสิ่งนั้นัน้นเป็นตัวตนของตน และสิ่งเหล่านั้นก็มอดอำนาจบังคับให้บุคคลอยู่ในบงการของมันถ้าการมองเห็นอย่างนี้มันลึกซึ้งแจ่มชัดเต็มที่อย่างนี้ก็เป็นภาวะที่เรียกว่าความหลุดพ้นทำให้จิตตั้งตนดำเนินไปในรูปใหม่อาสวะความเคยชินเก่าๆมันหมดไปเป็นกระแส ท, ที่บริสุทธิ์โปรงเบามีอิสระไม่มีความเอนเรียงยึดติดในเงื่อนปมต่างๆทั้งภายในฝายนอกเกิดเป็นบุคลิกภาพใหม่ คืออีกนหนึ่งว่าเป็นสภาพของจิต ท, ที่มีสุขภาพสมบูรณ์มากแม้ร่างกายมันจะผอมผอมนี่แหละแต่จิตใจถ้าสัมผัสความเป็นอิสระโปรง่งโล่งเบาสบายไม่ยึดมันมันก็จะมีสุขภาพใหม่ของจิตเหมือนกับร่างกายที่สุขภาพสมบูรณ์อวัยวะทุกส่วนปฏิบัติหน้าที่ได้คล่องเต็มที่เมื่อจิตสมบูรณ์ปกติ ปล่อยว่างอิสรภาพหรือเช่นนี้สติปัญญาก็ทํางานได้อย่างเต็มที่มีกําลังเมื่อกับร่างกายสมบูรณ์แข็งขาอะไรต่างๆเขาทํางานได้เต็มที่เพราะฉะนั้นกนรารปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานจึงเป็นวิธีการชําระร่างอาการเป็นโรคต่างๆที่มีในจิตคือโรคจิตความยึดมัน่นหรือมั่นความพอใจไม่พอใจตาหนักขัดเกลื่องต่ตางๆรูน้นจะเป็นโรคของมันสิ่งที่เป็นเงื่อนเป็นปมเมุปัสสัค ขัดขวางความเจริญการทำงาของจิตก็หมดไปทําให้ปลอดโปร่งพร้อมที่จะดํารงชีวิตอยู่เเชิญและจัดการกับสิ่งต่งางๆในโลกด้วยความเข้มแข็งและสดชื่นต่อไปเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นอย่างนี้กายเป็นผู้ไม่มีโลกไม่มีพัยเป็นอรโธขยาปรามาราผ่าความไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐและโลกชนิดไหนพระพุทธเจ้าของเราถ้าดูความพิสงังขารโลกมีอยู่สองชนิด โรคทางกายอย่างเหมือนโรคทางจิตอย่างหนึ่งสัตว์ตั้งหลายที่ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรคทางกายเลยตลอดเวลาทั้งปีก็มีปรากฏอยู่ผู้ที่ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรคทางกายเลยตลอดเวลาสองปีสามปีสี่ปีห้าปีสี่ปียี่สิบสามสิบสี่สบห้าสิบถึงร้อยปีก็มีแต่สัตว์ที่ยืนยันได้ว่าตนไม่เป็นโรคทางใจเลยแม้ช่วงเวลาเพียงคู่หนึ่งมันหาได้ยากในโลกพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้นะ โมหตตัมปิอโรคเยชั่วขณะหนึ่งที่ไม่มีโลกมันหาไม่ได้ท่านบอกว่าหาไม่ได้นอกจากพระคีนาศบเท่านั้นอันยตระคีนาสเส ว, วีีแต่ว่าอย่างนี้ยกเว้นยกเว้นแต่พระคีนาศผู้สิ้นอาสวะแล้ว อาสาวะที่จะสิ้นไปก็เพราะการกระทำจิตรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายี่ปล่อยวางไม่แอบเองอาศัยสิ่งที่มันเคยมีอยู่ก็หมดไปของใหม่ก็เข้ามาไม่ได้ไม่มีที่ตั้งอาศัยนะเราจะเห็นได้ชัดที่ใจมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เฮ้ใดเราจึงไม่สนใจกันในเรื่องสติปัฏฐานสตินี้แหละมันเป็นตัววิปัสนา กิจกรรมสามัญที่สุดของทุกๆคนซึ่งเป็นไปอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันก็คือการรับรู้อารมณ์ต่างๆทางตาทางหูจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่อยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนตั้งแต่เติบขึ้นเทนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงการรับรู้มันก็มีความรู้สึกพร้อมไปด้วยคือเวทนาพอใจไม่พอใอท้อใจบางสนุบางทุกข์บัง ไม่สบายบ้างเฉยๆบ้างเมื่อมีความรู้สึกสุขทุกมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในใจมันก็เกิดอีกแบบหนึ่งแตาสุขมันก็เกิดความรู้สึกชอบใจติดใจสิ่งนั้นถ้าไม่สบายได้ทุกที่ซึ่งแต่ก็ขาดใจไม่ชอบสิ่งนั้นเมื่อไม่ชอบมันก็อือย่ากลับรู้อีกแบบใหม่ ถ้าขลองดีมันก็ถ้าชอบใจก็อยากรับรู้อีกอยากเสพซ้ำอยากได้อยากเอายา ก, ยา ก, เ, ายากเป็นเมื่อไม่ชอบก็เรียกหนี้อยากกําจัดอยากทําลายกระบวนการนี้ก็เกิดขึ้นอยู่อย่างนี้ไม่มีสิ้นสุดที่จิตใจผลักดันให้แสดงออกมาเป็นการผู้การกระทําทั้งน้อยทั้งใหญ่ชีวิตของคนตั้งหลายบทบาทของเขาในโลกการกระทําต่อ ก, กันและกันระหว่างมนุษย์เสื่มเนื่องมาจากกระบวนการทำไม่น้อยที่เป็นไปในชีวิตแต่ละขณะขณะขณะขณะ น, น, นี่แหละ เพระนั้นในทางปัญญาในการปล่อยจิตให้เป็นไปนตามกระบวนการทข้างที่กล่าวมานั้นเมื่อรับรู้รู้สึกสุขสบายก็ชอบใจติดใจเมื่อรับรู้แล้วรู้สึกทุกข์ไม่สบายก็ขัดใจไม่ชอบใจนี่มันเป็นเครื่องกีดกั้นปิดบงังทํำให้ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มองเห็นสิ่งต่งางๆตามเป็นจริงหรือตามสภาวะที่แท้จริงของมันทั้งนี้เลยทั้งนั้นเพราะจิตใจที่เป็นไปเช่นนั้น มันก็จะมีสภาพให้มันเกิดความทุกข์คล้องอยู่ในความชอบใจหรือความขัดใจตกอยู่ในอำนาจของความติดใจหรือความขัดใจนั้นทูความชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นเครือบุมทำให้มองเห็นเองเองยง์ยังใดอย่างหนึ่งไม่ตรงตามที่มันเป็นที่เรียกว่าให้มันเป็นสะกาวิสัยอย่างนี้ ตกลงไปในอดีตบ้างในอนาะคตบ้างเมื่อรับรู้แล้วเกิดความชอบใจไม่ชอบใจจิตของเขาก็จะคล้องอยู่ขัดอยู่ส่วนหรือจดุดหรือแง่ใดแง่นหนึ่งที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจของอารมณ์นั้นจับเอาผ้าพ้องอารมณ์นั้นจดดุจดใดจุดหนึ่งมาโป้งมาแต่งต่อไปเพราะฉนั้นสติจึงต้องทํางานหนักให้มันรู้เท่าทัานถ้ามิฉะนั้น มันไปไม่ไหวความทุกข์ก็จะบีบคั้นจิตใจของเราอยู่ได้ตลอดเวลาไม่เป็นอิสระเมื่อมันเป็นอ่นี้ตกอยู่ในอำนาจของความปรุงความแต่งประสบการณ์ต่างๆเป็นไปแตมแนวทางภูมิหลังความเคยชินที่ได้สั่งสมไว้เชิญคาริยมทัศนคติทิฏฐิยึดถือนิยมเชิดชูบูชาเรียกว่าจิตตกอยู่ในภาวะโขบุ้งแต่ง ปุงมากๆ ม, ม, มันก่อกลายเป็นอุดมคติทัศนคติเป็นทิฐิเป็นขานิยมชมชอบมันก็เลยไม่อาจจะมองให้เห็นสิ่งทีร้ายเป็นกลางๆให้เห็นประสบการณ์ล้ลวนๆตามที่มันเป็นเมื่อถูกปรุงถูกแต่งแล้วก็จะนำเอาภาพปรุงแต่งในจิตในใจและประสบการณ์ใหม่ๆนั้นเข้าไปร่วมในการปรุงการแต่งต่อไปอีก เป็นการเสริมซ้มําการสร้างสมนิสัยความเคยชินของจิตให้แม่นหนายิงขึ้นโอรมาทีหนึ่งก็เพิ่มอาสวะไวท้ทีหนึง่งโอรมาทีหนึ่งก็เพิ่มไวท้ทีหนึง่งรักมาทีหนึ่งก็เพิ่มไวท้ทีหนึง่งดองไวท้ทีหนึง่งเดี๋มันเคยชินอย่างนี้แหละ ท, หลทําอย่างไรจีนจะทาให้มันหมดไปสิ้นไปไ ม, มันต้องอาศัยสติเมื่อมีสติฝึกสติให้มันรู้เท่าทันสิ่งทั้งายตามเป็นจริงไม่ให้มัน บิดเบี้นไปเมื่อนั้นมันก็จะเกิดอีกอันหนึ่งก็คือว่าสโตโการีการกระทาสติโดยทั่วๆไปให้มันรู้เท่ทาทันอยู่อย่างนี้สโตโการีสโตโการีกําหนดให้สตินี่มันแก่กล้าอยู่ตลอดเวลารู้เท่ทาทันอยู่ตลอดเวลาก็จะรู้เห็นสิ่งท่างายตามที่มันเป็น ให้จะว่าเป็นแล้วนี่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันตั้งอยู่ตามสภาพของมันแลยก็เป็นไปตามกฎธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าจะพูดเป็นภาพพจน์ก็ว่าความจริงนั่นมันเปิดเผยตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาไม่ปิดบงังไม่อำาพางแต่มนุษย์เราในปิดบังตนเองจากมันหรือไม่ก็มองภาพของมันบิดเบือนไปหรือไม่ก็ถึงกับหลอกลวงตัวของมนุษย์เอง ววอัดปิดบังกิดเบือ่อลวงก็คือการตกลงไปในกระแสของขบวนการธรรมชาติฝ่ายกินเลดังได้กล่าวแล้วคือเครื่องปิดบังบิดเบือ่อหรือว่าลอกล้วงก็มีอยู่แล้วยิ่งความเคยชินคอยชักลากให้เคว้ไปเสีอีกโอกาสที่จะรู้ความจรงิงมันก็แทบจะไม่มีแทบจะไม่มี สิ่ที่มันปิดบางหลอกลวงเลือเล้อเรืองมันมันมั น, ม, นมันก็มีอยู่อย่างนี้ทีนี้ความเคยชินของเราติดนิสัยเราสิมันก็ชินที่จะรักชินที่จะโกรธอยู่อย่างนี้มันสั่างสมกับมานานแล้วนาที น, นะนที้มันก็เลยความเคยชินนี่แหละก็ลากเราไปไปทังรักบางทังชังบางเอาพิชาบางโคมานักบางโอกาสที่จะรู้ความเป็นจริงทําเป็นอิสระแทบจะไม่มี ที่นี้การเจริญสืบประทานมันก็เป็นการสร้างนิสัยใหม่ปิดกั้นความเคยชินเก่าให้หมดไปสิ้นไปมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําให้พ้นจากอำนาจความเคยชินนิสัยเก่าของเจตเพนั้นพุทเตตะปวันนาหีนะที่เวอัปอคัสสะปฏิโคติพิสุตังลายการบรรลุธรรมบรรเลิโดยการกระทําอันเลวเๆย่อมไม่มีย่อมมีไม่ได้เลยการกระทําอันเลิดการบรรลุธรรมมันเลิดด้วยการกระทําอันเลิ่ย่อมมี